ต่อไปนี้พระกรรมวาจาจารย์จะได้สวดถามเพื่อสอนซ้อมสมมุตินาคชื่อโอภาโสสมมุติพระอุปชายะชื่อโสพโน <c oughs> นะโมตัสพสพรภะวาโตอาลาโตะจามาสัมพุทธะจารนะโมทัสสะ ปาฆาวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปาฆาวะโตอรโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสดานโต พันเถสังอโฆอวบัสสอายาสมาโตสอานัอาซาอปสัมปทาเพโคยาเทาสังคาซปะตากลางอาหังอวาสสังอนุสัสไ ย, ยัง